เากันอยู่อย่างไรเากันทาอย่างไรทำอะไรกันอยู่ถ้าหลงแล้วเลยทำมีการกระทาเกิดขึ้นไหมทำต้องมีการกระทำมีการกระทาเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิต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 ความลงมันเอางานให้เราทำความทุกข์ความโกรธความปุ่งสาดความงงเหงาหอนอนมันทิ้งทิ้งการบ้านในพวกเราแล้วเราก็ทำมันหลงเราก็ทำความไม่หลงมันทุกข์เราก็ท ำ, ค ว, มมททำความไม่ทุกข์ มันโกรธเราก็ทําความไม่โกมันไม่รู้เราก็ทําความให้มันรู้ไม่มีอะไรทําเราก็สร้างความรู้สึกตัว <c oughs> มันจึงได้เจริญยังจะเป็นชีวิตที่มีคุณมีค่าถ้าไม่เช่นนั้นมันก็เสื่อมไปเรื่อย ท่ำไปเรื่อยๆ่องห้งก็ทับทมโลกก็ทับทมนทีชุดไปไม่ได้หนักอึ้งมามืดไปมืดขอให้เราได้กระตือรือร้นเะรื่องนี้กันบ้างนะต่างคนต่างทา โดเฉพาะกรรมฐานเนี่ยมันเป็นงานขิ้นเอก ง, <c oughs> งานระดับโลกถ้าเราไม่ทำตรงนี้ก็กมีปัญหาระดับโลกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> จะไม่เกิดผลกระทบไปหลายๆยอย่างมาทำให้มันเสร็จซะงานการอันนี้นะ เอาให้มันเสร็จนะต้องเต้นๆนนแต่พู้ที่เป็นหนุ่มก็รีบยังดีใหญ่แต่เป็นคนแก่ก็ยิ่งรีบให้มากๆากมันจะไม่ทันเวลาตลาดจะวายสายบัวจะเน่าจะประมาทสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ต่อชีวิตเราและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นไม่มากในชีวิตนี้ในโลกนี้ให้เราได้ทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้ได้มีความภูมิใจยกมือไหว้โดยเองได้บา มาดูมาประกอบมาจับงานจับการเอากายเอาใจของเราเนี่ยเป็นการเริ่มต้นมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกมีความระลึกได้ความรู้สึกความระลึกได้ไม่ใช่ความรู้รนะทำให้มันมี นะความรู้ไปจำเอาที่ไหนมาก็ได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มีเนี่ยสิ่งที่ทำให้ไม่มีนะสิ่งที่มันมีคือความโลภความโกรธความหลงทำให้มันไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระทำความทุกข์มันมีทาให้ไม่มีความทุกข์นนะ่ะเป็นเรื่องที่การกระทำอย่างยิ่ง แล้วก็ให้มันมีมากด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยให้มีให้มากด้วยมนยีน้อยก็เลือนเดืองลันลาทาไรก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นเรามีเงินไม่มากซื้อเสือ้อซื้อผ้ามานุ่ง ม, มาห่มก็ไม่ได้ซื้อข้าวไว้กินก็ไม่อิ่มก็ ไม่สําเร็จประโยชน์ให้มันสําเร็จประโยชน์บ้างชีวิตเราประโยชน์โลกในละโลกบ้าประโยชน์อย่างยิ่งนะในงานอันยิ่งใหญ่ไม่ค่อยมีใครทำหรอกเราไปทําเอาดื่นไปเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องเที่ยว เรื่องของความหลงเรื่องของความรักเรื่องของความชังไปพวัวน้ำเลีวอยู่ตรงนั้นไปไม่ได้ถูกหลอกคนที่สุดก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเล ย, ยนั่นหลวงพ่อพูตรวานคนที่สุดฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลย คทั้งที่เอามาอย่างเต็มทีแล้วไปสารภาพเมื่อหมดท่าที่แล้วเอาโน่นเอานี่จนไม่ได้สักอย่างเห็นไหมก่อนคนจะตายเวลาเขาเจ็บเวลาเขาแก่เวลาเขาตายมีท่าไหม เราดิสุดก็หลงมาบมางมาเลยหาทาอันกุศลที่เป็นที่พึ่งสักนิดเดียวไม่มีให้เจอความหลงขนมซ้ำเติมหลงไปร่อ ง, มมองห้อมล่องไห้ยเสียใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เจ็บผู้แฉ่ผู้ไม่เจ็บไม่แฉ่ก็เสียใจเป็นทุกข์ไปตามาๆกันในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์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 มันเป็นเรื่องรีบต่วนใช่แล้วเพราะเสียงไม่ไม่รู้จึกตัวไม่ว่าเกินมันเป็นเสียงที่เรื่องหน้ารีบต่วนเหมือนเรามีครอบมีกรัว ม, มีลูกมีเต่าต้องรีบด่วนแล้วถ้ามาหาเินขวหน้าขวหลังก็จะจนเจือผู้อื่นได้บ้างไม่ไมีความเสียด ่านในฆราวาสพอไปการอของเรียนในลูกในเท่านั่งไม่หลงการปฏิบัติธรรมในก็เหมือนกันพอมามีความรู้สึกตัวเราก็ตื้อรือล้นเพราะความหลงมันไล่ความโมงเอาห อ, อนอนมันไล่ความสุขความทุกข์มันไล่ล้วออกมาได้แค่สอกแค่ว่า มันยังอยู่ใกล้ๆกับสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้กับความโกรธใกล้กับความทุกข์ใกล้กับความโลภความร้องใกล้กับความปงปงแตงแตงแต่เป็นงูก็มันยังฉกเราถึงอยู่ค่อยๆ อ, ออกไปออกไปตายใจไม่ได้ในขณะที่ขับขันเช่นนั้นแล้วมันจะฉกเอาตายทันทีใกล้ความตายที่สุด ความหลงนี่ก็ไอ้ความตายทีสุดเราจึงขยันตรงนี้ถ้าไม่ขยันกตรงนี้ไม่รู้จะไปขยันกันตรงไหนเวลาใดมันหลงขยันรู้ไวๆเวลาได้มั น, น, น, ะมนอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวพยายามมาก็ะกตือรือร้นใส่ใจ แต่มันทันการทันงานแต่มันพลาดตงรงไห้มันก็พลาดไปเรื่อยๆควรที่จะรู้ไปหลงซะวันที่จะไม่หลงไปหลงซะเวลาแต่มันหลงควที่จะรู้ก็ไม่รู้ซะก็เลยพลาดแต่ พ, พื่ต่พื่ไปไม่เราว่ามาใส่ใจบางทีใจ กัรถีใจตรงนี้เรียกว่าขันเรียกว่าสิลที่ขันเพราะมันถีเข้าไปถีเข้าไปเป็นสิลที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันมันถีให้มันถีที่สักหน่อยแน่นหนาสักหน่อยอย่าวนไว้อย่ากระทบกระเทืนนอนง่าย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 ทุกเพื่อที่จะไปทุกหัดตรงนี้โกดเพื่อที่จะไม่โกรธหัดตรงนี้อะไรมันมาให้เราฝึกขัดแต่ประมาทความสุขก็อย่าประมาทแต่กความสุขความทุกข์ความรักความชังก็อย่าไปประมาทความยินดียินร้ายก็อย่าประมาทความประมาทติดหน่อยกัแบบสิ่งเหล่านั้นมันก็ไก่กันไปเหมือน จิตนิสัของคนที่แรกก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตง่ายๆปลาข่ามดฆ่าหนูฆ่าอะไรอย่างง่ายๆโดยที่ไมุ่กคิดอะไรสักห่อต่อไปต่อไปก็ฆ่าวัวฆ่าควายเอาไปก็จะฆ่าคนได้ฆ่าคนได้จะฆ่าคนทั้งโลกได้ การคิดที่จะฆ่าก็เป็นความเจริญของเขาสําหรับคนเทียมประมาทบันลักกันขโมยสมากันลักอะไรเล็กแตน้อยเก็บผักเก็บผลไม้ในรั่วในสวนเข า, า, า ก, ก, ก, ข ก, า ก, ก็ไปมากลักเสงิกลักของลักเสื้อผ้าลักเงินลักทองไปมากลับผลขี้ขาเจ้าของสับตาย แล้วก็คุยคุยคุยอวดคุยเรื่องความชั่วของเขาเหมือนโจรฆ่านางศิริกหมาเรืนางอะไรพาเราไปหมกไปวัดเขตตะวันของพระพุทธเจ้าพวกดีละถีจะไปใส่ร้ายใส่สีพระพุทธเจ้า ก็ค่าผู้หญิงสาวกดหนึ่งแล้วก็ไปวางไว้ในวัดเปืือยกายคนก็มองว่าพระพทธิจาคสาวโบกเนี่ยฆ่าขมขืนปิดปะคนมองครึ่งต่อครึ่งเออเดรลทีก็ซ้ำเติมหนักสำนักพระสำนักโคโดงดีที่ไหน เอากันคงมขืนหญิงสาวลรา่าตายปิดปากกลนประวัติไหวเชื่อไปทั้งครึ่งประเทศพรามันมีหลักฐานพอดีโจนที่ฆ่านางคนนั้นไปกินเหล้าเมาคุยโกงเก่งโกงมึงนะ กูเป็นลงมือฆ่ามันก่อนนางอจำไม่ได้คืออะไรมึงสู้กูไมนได้กูเป็นคนฆ่ามันก่อนมึงเป็นคนฆ่าทีหลังมึงเป็นคนจับมือมัดกูเป็นคนตีหัวมันกูต้องเก่งกว่ามึงคุยกันได้พอได้จุดตารวจโผล่คนได้ยินโอ้ไอ้เจ้านี่เองฆ่านางคนนั้นตายจับตายับาย เขาก็ไปคุยเรื่องค่าคนเขาก็เจ๋งกว่าคนอันด้านในกระดาษ น, นั้นเพราะนั้นพวกเราจึงไวๆตรงนี้ส่นหนึ่งถ้าไม่ไวตรงนี้ก็มันจะพาดไปแต่เพื่อแต่เพืมันหลงก็ลุ้วไวๆลุ้สึกตัวไวๆวอย่าทันให้ไปยินดีอย่าทันให้ไปยินร้ายอย่าให้ไปเป็นสุขเป็นทุกข์ไวๆตรงนี้ ก่อนที่มันจะสุกก่อนที่มันจะทุกข์มันต้องหลงตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะเราถอนรากมันไวมังกอะอย้าที่มันเกิดแซมข้าวแซมต้นไม้ของเราถอนมันออกใช้งหมแต่มันไม่ถอนก็ปรามันใช่ไหมตัดไว้ตัดไว้ตัดไว้ มันทีลากมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตอนน้ยเราความโกดอาจจะเป็นปุ๋ยก็ได้เห็นความโกดที่ได้รับผลหัวโรคโอ้ยอ่ามันก็สบสิ่งสกรปรกอย่มันก็ดีทําให้เรารักษาความาดเห็นห้องน้ําห้องช่วงต้องสะอาดโรงงานสกรปรกอะไรที่มันสะาดใส่ใจ เอออะไรที่มันสกปรกใส่ใจมันจะมีความสะอาดถ้าไปใส่ใจความสะอาดมันก็ไม่ใช่ต้องใส่ใจสิ่งที่ทำให้สปกปรกการปฏิบัติธรรมในก็มบนกั น, ม, นมันมีการบ้านให้เราทำตลอดเวลา แต่ถ้าเรามีตาสักหน่อยนะแ้าเราไม่มีตามันก็ไม่เห็นตาในคือความรู้สึกตัวหนยะดูไปดูไปพอไปมามันก็เห็นเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมามันเป็นอกุศลกุศลละธรรม เขาให้มีงานการทำตรงนี้ว่าเราทำอะไรทำตรงไหนทำจุดที่มันควรทำไหมจุดที่ควรจุดที่ไม่ควรสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรเป็นการต้องอาวัดมัแต่นน้ สำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรเช่นความหลงถือว่าไม่ควรก็ควรหลงสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรสิ่งที่ควรรู้สึบตัวเป็นของที่ควรก็สสำคัญว่าไม่ควรทำมันก็เลยตรงกันข้ามอาจจะนั่งอยู่สร้างจ่ว่าอยู่สุะโตอาจจะเดินจงกรมอยู่สุะโต แต่ถ้าไม่จัดเกียนตรงนี้สําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรสาคัญว่าไม่ควรในของที่ควรตรงนี้มันก็ไม่ถูกต้องอาจจะของที่ไม่ควรก็อาจจ ะ, จะเจริญของที่ควรก็อาจจะเสื่อมแล้วก็เขาทําให้เห็นอยู่เป็นความหลง หลงเทไรก็มาได้ตลอดเวลาทุกเทไดก็มาได้ห่วงเวลาไหนก็นมาได้ตลอดเวลาเขาก็จเจริญเต็มความหลงความห่วงความหมกมุ่นคนคิดนะสัมควรว่าไม่ควรสัมควรว่าควรในของที่ไม่ควรมันก็ไม่ได้ทําอะไรเลย เราจึงทำให้มันถูกต้องการใช้ชีวิตการปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวาตรงตรงตรงกับความรู้สึกตัวอะไรที่ผ่านมาเห็นหมดตามรอยความรู้สึกตัวมันเราตามรอยวัวรอยคว้ยที่มันหายปิดตาเรา ตรงนี้มันลบผลดักหน้าไปเรื่อยๆไปถ้านั่งอยู่มันง่วงมันลบไปแล้วผลดักหน้านโน้นไปเปลี่ยนอันใหม่เดินขึ้นลุกเดินชกลมจับมือไม่ได้แล้วยกมือไม่ได้แล้วลุกไปใช่ก้าวขาเดินไปดักเอาตรงนั้นตรงนี้ทิ้งไว้ไปจับตัวอ่านเก่าเห็นรอ ย, ยเจขีไวเลยเาเดินอยู่มันจะง่วงอีกเอาไปจับอันใหม่อีก จับตาดปวดถนโนหนทางไป <c oughs> จับนนไปถ้ามันหลงเราก็ปล่อยมันหลงดยู่มันก็ไม่ทันมันก็ตามไม่ได้สติต้องดับดับมันดับหน้ามันคำนวณดูไม่ได้ด้ว้วิธีหนึ่งก็เอาวิธีหนึ่งอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมการสร้างสติ สิ่งที่ทำให้หลงยโอ้ ย, อยเยอะแยะนะออกจากความรู้สึกตัวอันเดียวแต่ความหลงมันเยอะแยะผมหลงมหลงก็ละเอียดไปเรื่อยๆนะเป็นวิปัสโนว่างเป็นกินตยานว่างเป็นสุขว่างละสุขจะได้ มีสติมีสัมชัญญาบางทีไปมีเมตตาอุเบกขาละอุเบกขาไปมีสติไปโนนอ๋เริ่มต้นก็สติท่ากลางก็สติที่สุดก็สติมันสติคนละระดับสติอยู่ในฌานกับสติสัมชัญญามันแม่พ่อเลี้ยงลูกลูกมันโต มันก็ทำหน้าที่ความเป็นลูกที่แรกพ่อแม่เลี้ยงต่อไปมันจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันจะดูแลพ่อแม่อย่างดีที่สุดเท่า อ, อาจจะดีกว่าพ่อแม่เลี้ยงด้วยซ้งไปแต่ว่าอภิชา ต, ตบุตรเป็นบุตรที่ดีกว่าพ่อพ่อแม่เราพัฒนาทำไมพัฒนาก็ นในชาติตบุตรเป็นบุตรที่เร็วสามแปลว <c oughs> <c oughs> ป่าสติสัมปชัญญะมันไม่แช่นี้นะแค่นี่หรือหลวงพ่อแค่ยกมือสร้างแปลว่าแค่ลู่แค่นี้หรื อ, อ, ม อ, รอไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีสติไหมสติมันทําอย่างไงอโอ้สติมาไวกว่าอันเดิ มาไวไหมสติเวลามันลงสติมาไว้ไหมอะไรที่มันมาก่อนเวลามันลงความรักมาก่อนความทั้งมาก่อนความโกรธความโลภความหลงมาก่อนต้องมีสติมาก่อนไว้พอหลงกบสติมาไวไม่ใช่ความยินดียินไล่ไม่ใช่อุปทานไม่ใช่ความยึดมั้นถือมันสมมติบัญญัติชอบไม่ชอบสติมาก่อนตัด ตัดอันเดิมเลยมันน้ำกับไฟต้องดับก่อน <c oughs> ดับก่อนเราฝึกเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีอนในสงฆ์บ้างการสร้างความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอนในสง์ไม่มีผลอะไรมันมีอยู่ แม้แต่ผลน้อยๆมันช่วยเราอยู่เรายังไม่เห็นเรามันใจร้อนเขียนเวลานี้ตดนไหมรอบตัวเรามันช่วยเราอยู่แต่น้อยก็ต้องก็ต้องเมีนในสมว่างเข็นสุกโตเนี่ยเมีนในสมหลวงพ่อไปนั่งเทศอยู่วัดโปกหน่อยเดียวบางวัน โยงเกิดไม่รู้วทั้งไลโยงทั้งพูดกลางวันนะยยงเยอะเราตั้งอยู่นี่หลงพ่อนั่งเทศอยู่นี่ไม่ได้ไล่ยงสักตัวเลยนันก็คืออเนกสงบรรยากาศต้นไม้หลังเขาแล้วพวกเราด้วยเป็นเพื่อนกันต้องมีอเนกสงเป็นผล เกิดขึ้นให้เราได้พึ่งอาศัยช่วยเราสิ่งแวดลรอมมาช่วยเราเราาอยู่กับใกล้กับสิ่งแวดลรอมที่ดีการที่มาเจริญสติเราไม่ให้เรามาให้ข้อมูลชีวิตเราในทางที่ดีมันก็เป็นสิ่งแวดลร่อมที่ดีเราให้ข้อมูลตัวเรา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 ุทธกับเปียกไปฝนพันพันแล่นในความรู้จักตัวอยู่กับใครดูก็ออกอเหมือนพร ะ, ะ, ะอัศคิสารีบุตรเห็นอัศคิเดินนิทบาทสาริบุตรดูลูกออกโอ้สัพนะรูปนี้มีสติดีมากหน้าเขาลก ท่านฝึกตัวยังไงใครเป็นผู้สอนท่านนองอยากรู้ท่านเราต้องมาสร้างมาทำเราให้มันทันทันเหตุในเหตุก็ เ, เหตุไปใส่เหตุมัรลายเหตุมันดีไปใส่หรืว่าทำ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 มาเห็นแจ้งก็ไม่สงสัยจิต ก, ก็ฟองใสความเห็นก็ถูกต้องพัฒนาไปเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆในกายในใจส่วนของกายก็เห็นเป็นลูกส่วนของใจก็เห็นเป็นนามเข้าไปหน่อยเห็นวัตถุเป็นอาการเห็นตลิมัณ เป็นผู้สด ต, ต่อผู้สนเป็นบุญอย่างไงเป็นบาปอย่างไร mm. เห็นมาเห็นผลไปนอนแล้วคนได้ทางเหยียบเส้นทางได้ทางเปรียวทางโลกทางด่วน มันทางอะไรล่ะคนประสานที่คนประสานพาหลวงพ่อมาจากสยองทางอะไระทางว่าทางอะไรนะมอเตอร์วีมอเตอร์วีเอ้ยไม่มีเลยไปเขียวไปแดงไม่มีเลยมอเตอร์วีวิ่งไปตลอดเลยมันได้ขาด ชีวิตเราเราก็ควรที่จะได้ทานแต่ขบขักเกินไปไปสะดุดกับความโลภความโกรธความร้งความลักความชังไปแดงไปเขียวจัลจอนติดขัดจัลจอนของชีวิตติดขัดไปติดกับอะไรหล่ยไปติดกับความลักไปติดกับความชังไปติดกับความโศกไปติดกับความทุกข์ ไปติดกับความโลภความโกรธความร้องไปติดกับความโมวงเหงาหอนอนไปติดกับความรังเลสงสยัยไปติดกับความปมซ่าเรียกว่าจราจรชีวิตติดขัดไม่เป็นมอเตอร์เวย์โ ล, งล่งเวลาวิ่งเอาวิ่งเอาระสารพาวิ่งมาจากประยอ่อแป๊บเดียวทางกรุงเทพให้นท่ซมกับมาขึ้นทางด่วนดี เลือกได้ช่วหมเราเราติดอยู่ไหนแต่เนี้ยอ่ะทำอะไรแก้วติดที่ไหนอะไก่ไกปะไหมอเป็นพวกไกลจากกิเลสกิเลสไกลเราเราไกลจากข้าศึกโน้นข้าศึกเขาอยู่ ี่ลักนอนอยู่อัปการา น, นิฐานนนท์เขาลบ ก, กันอยู่โน่แต่เรานั่งอยู่สกุกโตสบายรบปืนใหญ่ก็ไม่ถึงเราก <c oughs> ับไ ก, ก, ก่กับกาดศึกการศึกคือกิเลสจะทำไลจากควบหลง ไปจากความโกรธไปจากความทุกข์เฮ้ยถืออยู่คนละโลกก็ได้เลยเนาะความโลกความโกรธความหลงอยู่คนละโลกกันแล้วอเอาเนตานั้นนะเอาพัฒนาพันนันลนะมิตรภาพสันติภาพแล้วทุกวันเลยแต่มัวมีภัยทำไมอ่า ชีวิตที่ไม่มีภัยไม่ใช่เรื่องน้อยนะเป็นอริยะอริยะคือไม่มีภัยไม่มีฆาศึกพระสีลอริเมตไตรเราก็ปรถนากันขอให้ถึงพระาศาสนาพระสีอลอริเบตไตรพระสีอลอริเบตไตจะมาตัดสะลูกจะมาเกิดต่อจากพระปุริจา กกุสันโทโคนากมวโนกัสโปโคตมโมโคตมโมเลยศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าอาริยเมตตโยต่อไปอีกเหลืออีกพระองค์เดียวจบเลยศาสดา์สาทันไหมทันพระจีอริยเมตยมตยไหมก็คือคุณธธรรม ที่เกิดจากคำสอนของพระศาสดาพระสำนโคโดมนี้คนเจริญคนนำไปปฏิบัติธรรมะของสันัะโคโดมจรล่นคนไปปฏิบัติก็เกิดสีอะเียะเมตไตรก็คือคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นในโลกเพราะเราก็คือทำกันเราปฏิบัติทำกันมีสติสัมปชัญญะ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 คุ้มค่าล่ะขออว่าถ้าไม่ทำจุดนี่รโอ้ยบกพรองมันเป็นไปเป็นเป็นมันเป็นการไปจับค่าสึกเองๆความรู้จุกตัวเนี่ยไว่ใเล็กน้อยนี่แหละศาสนาพระศรีอะเรียเมตต่ต่อจากพระสมณะโคดมคำสอนของสมณะโคดมทั้งหมด เป็นกุศละศละได้มีเป็นอกุศลลได้สร้างกุศลได้นีเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคผลนิพพานก้าไปจากความรู้สึกตัวเป็นก้าวแรกความรู้สึกตัวมันก็ไปจากความหลงความหลงเป็นภัยเรียกว่าศัตรูอาลิต ความรู้สึกตัวเป็นอะอะลิยะเป็นยะคือไปจากอะลิไปจากขั้สึกนี่เราก็ทำด้วยมือของเราเนี่ยไม่ใช่อ่อนวอนมันปาฏินาใไม่สำเร็จต้องทำอาอกลงไปจริงๆริปฏิบัติลงไปจริงๆรรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดินไปด้วยกัน เดินด้วยกันไปถึงที่เดียวกันเพว่ปฏิวัติธรรมเราก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเพื่อนเดินทางเพื่อนเดินทางด้วยกันเป็นพิสุสมเนตรอุปสกวาสิกาเรียกว่าบริษัททั้งสี่ของพวกเราศาสนาจ ะ, จะเจริญจะเสื่อมกอบพวกเรานี่แหละมาช่วยกัน พวกเราก็ไม่ไว้มากนะแต่ไม่มากนี่แหละมีคนมีค่าไม่ต้องมากหรอกศาสนาของพระสมาสัมพเจ้าตั้งต้นปฏิเจกกับบุคคลหนึ่งเอกะคือหนึ่งก่อนอ๋อนับหนึ่งทุกคนนับหนึ่งจากตัวเราของพ่อ ก, ก็พยายามนับหนึ่งจากตัวเราพวกเราก็นับหนึ่งด้วยกันอ๋อมันจึงจะมีสอง มันจริงจะมีมากขึ้นไปนะ่นะวันนี้ก็สมมาภาควรตรเราก็กลับภพาพร้อมกันอักระหังสมม า, มรราสัมพุทโธภาควาสถังภาควันตังอภิวาเท ตัวกตตะคะวะตัมโมอะมองนัมตะตุภัติภโนโภตสาวาังโภังัง